ท่านผู้ชมคะรายการสัสนิสฐนนานะนะคะที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะ น, นี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญท่านพบกับพระเปาบุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกรุดรธานีในช่วงเวลาถามโลกตอบธรรมค่ะนมัส ก, การ ท, ท่า น, นค่ะอาจารย์เล่นบอค่ะอารมณ์เสียแล้วมันคิดออกท่านคิดว่าเอาธรรมะเข้าไปจับตรงไหนได้อย่างไรไหมคะพัลมามองว่ายอย่างงี้อันนี้เป็นเรื่องของอิทธิบาทสีค่ะคือพระเจ้าพูดอย่างนี้ว่า คืออารมณ์กโกรธหรืออารมณ์เสียเนี่ยที่มีเข้ามาใช่ไหมการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะเจริญอิทธิบาท4ได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างอย่างแรกเนี่ยคือมีทําเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายในชีวิตของเราอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆอันนี้คือขาที่1ขาที่2เนี่ยต้องมีสมาธิค่ะ ข, า, ขาที่3เนี่ยจะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาถูกไหมนี่คืออิทธิบาท จึงจะสามารถเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนเก้าอี้สามขาเจริญ <Okay. S 2> อิทธิบาทสีได้เพราะฉะนั้นถ้าเราในชีวิตเราไม่มีปัญหาเนี่ยคุณไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ยสมองมันก็ไม่โตสมองไม่ได้รับการคิดเหมือนมีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ฟันเนี่ยมันก็จะทื่อลงทุกวันทุกวันถูก <Okay. S 2> ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเจอสิ่งกระทบทําให้อารมณ์เสียบ้างอารมณ์ดีบ้างเนี่ยอันนี้ทําให้เราเจริญอิทธิบาทสีได้ mm. อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นที่สอง ที่เอาธรรมะของอปรุรวัจนะเนี่ยเข้าไปสับได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าถ้าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่อดทนได้ต่ออารมณ์ทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นไกลใจมากระทบแล้วก็อดทนได้เธอเนี่ยจะเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิอพอฉลาดในการเข้าสู่สมาธิแล้วเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตจิตไม่มีอํานาจเหนือเราได้จะตริตรึกเรื่องใดก็ตริตรึกเรื่องนั้นได้ จะไมต่ตรึกเรื่องใดก็ไมต่ตรึกเรื่องนั้นได้ค่ะสมมติเราไม่อยากจะคิดถึงคนนี้ใช่ไหมว่าทำไมคนนี้มันเข้ามาในหัวเราตลอดเวลาทําไงจะเอาคนนี้ออกไปได้ต้องเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตจะทํำไงเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตต้องรู้จักอดทนต่อการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิจะอดทนต่อการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ดไงก็ต้องมีการกระทบสิเพราะฉะนั้นเจอปัญหามีความโกรธชอบไม่ชอบเนี่ยอัตมามองเห็นว่ามันดีนะอืมประเภท เพราะว่ า, ป, าปัญหาไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดมันม<า>ไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดใช่ใชค่ะเพราะฉะนั้นมีบ้างก็ดีซึ่งตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกันเพราะงั้นเราเราก็จะไม่ได้สร้างสมบา ร, รมีก็จะสอดคล้องกับพุทธวจนะตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมจิตมันจะแตกะจะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้มีน้อยเกินไปเราก็ไม่ได้โตเหมือนกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยเนี่ย มันก็จะรีบลงรีบลงรีบลง <คะ S 2> แต่ถ้าออกกําลังกายมากเกินไปเดี๋ยวมันจะหักมันจะแตกต้องพอดีพอดีไปข้างตึงนิดหนึ่งในความเป็นอัตมานนะต้องใช้วิจารณญาณก่อนการฝังตึงนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าตึงมากไปก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อนเกินไปก็จะเป็นไปเพื่อความเกลียดกล้าน <คะ S 2> ให้พอดีพอ ด, พอดีแต่ตึงสักหน่อยหนึ่งคือถ้าจะมีอารมณ์เสียก็อย่าให้มันเสียมากเสียน้อยๆไม่เป็นไรก็ลืมบอก ท่านผู้ฟังไปเหมือนกันนะคะในข้อมูลเนี้ยเขาบอกว่าต้องอารมณ์เสียแบบอ่อนๆนะถึงจะทำให้คนเพิ่มความใส่ใจและคลุนคลคนคลิดในเรื่องต่างๆใงนธรมะตัวนีทำให้องค์ประกอบของการเจริญอิทธิบาทสีมาได้ค่ ะ, ะแล้วก็ทำให้เราสามารถฝึกความอดทนนะค่เด อ, อย่างในการปฏิบัติที่การหลีกเรนที่วัดป่าด่อนไหนโศเนียเราก็จะมะีช่วงที่ให้เขาฝึกความอดทน ข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยที่พระรูปเจ้าวางเอาไว้เราก็เอามาให้ทําเพื่อให้พระทําไมฝึกความอดทนให้ยินดีกับเสนาชนะอาหารตามมีตามได้วางทีดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมให้ฝึกความอดทนในการนั่งสมาธิอย่างนี้ก็มีให้ฟังธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่ไปปฏิบัติหลีกเลนจะได้ฝึกพวกนี้ก็จ ะ, ะสามารถมีสมาธิเพิ่มขึ้นไม่อย่างนั้นเถอะก็คือความอดทนดถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการที่จะฝึกสมาธิใช่ ทำให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าออันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำทอมเหมือนกันแม่กําลังจะเรียนถามท่านกลับไปอนะคะที่ท่านบอกว่าความอดทนเนี่ยทำให้เกิดสมาธิแต่ถ้าพูดถึงว่าเวลาไปนั่งสมาธิเลยเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทนมันเจ็บมันทรมานมันเป็นเน็บชามันเมื่อยเอาแค่ตรงตัว น, น, นะคะถ้าไม่เอาวิธีนี้ก็ อ, อีกห้าวิธีที่เหลือ พุทธเจ้าบอกว่ามีวิธีการละกิเลสเนี่ยความความอะไรความไม่พอใจอะไต่งางๆเนี่ยมีวิธีละอยู่6วิธีหนึ่งในวิธีนั้นคือความอดทนใช่ไหมเอาวิธีอื่นก็ได้ใช่ไหมอีกวิธีหนึ่งที่พุทธิเจ้าแนะนําก็ภาวนาก็ได้วิธีละกิเลสด้วยการภาวนา<ช>คือการ<ช>ทำไรเจริญโพชฌงเจตอันนี้ก็วิธีหนึ่งวิธีละกิเลสด้วยการสังวรก็ได้คือสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันไม่ได้ไงคะสังวรสังวรก็คือว่าสำรวมอินสีสำรวมว่าเราไม่พิจารณาว่าโดยโดยอันโดยสมมุติเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งชอบหรือไม่ชอบนั่งสมาธิแล้วปวดใช่ไหมไม่ชอ บ, บถ้าเราพิจารณาว่าเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยมีความเป็นตัวตนมันก็จะปวดแต่ถ้าเราพิจารณาเป็นส่วนๆหรือโดยรวมทั้งหมดถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยสมมุติเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหทั้งตัวสวยมาก <ค>ผมนี่ก็สวยแต่ถ้าดึงผมออกมาแล้วไปใส่ในอาหารสิทำแกงเผ็ดเส้นผมอย่างเงี้ยไม่มีใครจะกินสวยซะเปล่าแต่ไม่สะอาดอแสดงอย่างนี้ <S <S <S นี่ก็วิธีหนึ่งในการละกิเลสอีกวิธีหนึ่งก็คือด้วยการพิจารณาก่อนการเสพเ<ใ>ช่นว่าการก่อนจะเสพเสนาสนะอะไรต่างๆเสนาสนะจีวร อ, อาหารก็ให้พิจารณาว่าอ๋ออันนี้ก็คือเป็นไปเพื่อให้ชีวิตตั้งอยู่ได้เป็นไปเพื่อการหลีกเร้นเป็นไปเพื่อบรรเทา เรเบยงลมแดดป้องกันแสงแดดลมพัดอะไรต่างๆเขาจะละกิเลสได้คือการเสดไม่ได้หมายความว่าเสษแบบถ้ามนุษย์เข้าใจก็คือการการสูบการกินการอะไรอันนี้แต่เสนาสนะบริโภคใช่ปัจจัยทั้ง4ก็ให้ไม่ได้เรื่องบริโภคเรื่องเดียวอีกประการหนึ่งวิธีการละกิเลสในหนึ่งใน6วิธีวิธีที่ที่หพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าการละกิเลสเนี่ยด้วยการงดเว้น ก็คือสถานที่ใดเนี่ยคือให้ให้เราพิจารณาก่อนว่าสถานที่ใดที่มันไปแล้วไม่ดีเนี่ยเป็นที่อะโคจรเนี่ยให้เป็นซะเช่นอะไรเช่นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปการคบเพื่อนลามกองูม้าดุสุนัขดุโคดุอะไรสัตว์ร้ายต่างๆเราไม่ไปยุ่งกับมันอะไรที่เป็นอันตรายเราไม่ยุ่งนี่คือการละกิเลสด้วยการงดเว้นอันที่6อันสุดท้ายที่พระเจ้าพูดถึงการที่ละกิเลสด้วยวิธีที่6เนี่ยก็คือการบรรเทา เช่นมีอกุศลในจิตพทะเจ้าบอกว่า <Okay. S 1> ให้พิจารณาแล้วไม่รับเอาละเสียบรรเทาทําให้สิ้นสุดลงทําให้ถึงความไม่มีเ <Okay. S 1> ยอะตัวอย่างเปรียบเทียบถึงถ้าไฟไหม้ผมอยู่อย่างเนี้ยคนมีผมน้อยก็เอาไฟไหม้เสื้อผ้าก็ได้ถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่อย่างเนี้ยจะทํายังไง <Okay. S 1> ให้ทําด้วยความเร็วที่สุดละบรรเทาทําให้สิ้นสุดดับไฟนั้นซะอื่ <Okay. S 1> นี่เป็นวิธีที่หในการที่จะ จะรักกิเลสได้หกวิธีอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เสียเนี่ยแค่นี้ก็คงจะพออธิบายได้แล้วว่าถ้ามองตามธรรมเนี่ยมันก็สอดคล้องทีเดียวแต่ว่างานวิจัยนี้ถือว่าเป็นไปได้เอาธรรมะเข้าไปจับได้อย่างนั้นใช่โดยปุถุวะจนะค่ะทีนี้เรื่องของทองเรื่องของ<ช>ทองเนี่ยเรื่องของเอาพูดถึงเรื่องร้านทองก่อนอคือเจ้าของร้านทองเนี่ย ที่ประบปะหาว่าะจะขายตกอะไรต่ตางๆเนี่ยนะเ ข, เขาอาจจะต้องปิดกี่การเขาบอกว่าถ้าไม่แก้ไขเนี่ยจะโคกพัน้าน อ, อาจจะต้องเหลือหกร้อยร้าน600หกร้อยร้านหกร้อยแห่งานาในที่สุดแห่งคือพระเจ้าพูดถึงเหตุปัใจจัยในการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะค้าขายดีหรือไม่ดีเอาไว้อสองนัยยะที่เาจะมาได้ไดไดทําการค้นคว้ามานัยะแรกเนี่ยก็คือว่า เจ้าของร้านตลาดเนี่ยหรือนักธุรกิจเนี่ยที่ต้องการธุรกิจของตนเองดีๆเนี่ยจะต้องสร้างเหตุปัจจัย3อย่างนี้น ะ, ค, ะคือหนึ่งทำการค้าขายอย่างดีที่สุดทําการเอื้อเฟื้อต่อกิจการของตัวเองเนี่ยในเวลาเช้าอย่างที่2คือทําการเอื้อเฟื้อปฏิบัติอย่างดีที่สุดเนี่ยต่อกิจการงานของตัวเองเนี่ยในเวลากลางวัน <ulu. S 1> และอย่าง <Whis per ness> ที่3คือในเวลาเย็นคือทั้งวันเนี่ยทำให้ดีที่สุดค่ะแปลว่าทําตลอดวันอ่าทำตลอดวันเช้ากลางวันเย็นอย่าให้พลาดเลยทำไม่ดีที่สุดยกเว้นกลางคืนกลาคืนให กิจล้านซ ะ, ะ, อ, ะอันนี้คือนัยะที่หนึ่งนยะที่สองเนี่ยก็พูดถึงทรงตรัสถึงบุคคลที่อันนี้เป็นข้อมูลที่ภาษารีบุตรเนี่ยไปตรัสถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดบุคคลจึงค้าขายรุ่งเรืองค้าขายไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเพราะว่าถ้าเธอปาวาราณากับพระภิกษุเอาไว้เนี่ยแล้วทําตามปาวาราานาะถ้าเธอปาวาราณาเท่านี้แล้ว ให้เท่านี้ก็จะทำให้การค้าขายเนี่ยได้กำไรตามที่หวังไว้แต่ถ้าปรนนธาเท่านี้แล้วให้ไม่ถึงก็จะค้าขายขาดทุนหมายความว่าถ้านึกในใจว่าเออเดี๋ยวทำบุญกับพระสักหมื่นนึงแต่<ม>พอทำบุญจริงๆทำา้าพันหรือไงคะควนหนมายเราไปปรนนธากับท่านบอกว่าอ่าไปต่อหน้าสมณพุทธนี้ที่เรามีศรัทธาบอกอ่าท่าน ข้าพเจ้าต้องการปรนนาร์ด้วยปัจจัย4ี่มูลค่าเท่านี้เท่านี้หรือว่าด้วยกิจการแบบไหนแบบไหนใช่ไเราต้องการให้ของอะไรถ้าท่านต้องการแล้วเราให้ได้ตามนั้นเราต้องการกําไรเท่าไหร่ก็จะได้ตามนั้น<ม> น, นี่ความเป็นเหตุเป็นผลที่ผูช า, าพูดถึงแต่ถ้าเราปรนนาไว้เท่านี้แต่เราทําให้มากกว่าก็จะกําไรนี้ก็จะยิ่งทะเบียนคูณอันนี้จะมามองนในมุมของนักธุรกิจเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีลูกค้าเนี่ยเราสัญญากับลูกค้าอย่างนี้ แล้วเราทำให้ตามนั้นลูกค้าแฮปปี้ลูกค้ามีความสุขถ้าเราทำให้ยิ่งกว่าลูกค้ายิ่งมีความสุขเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเหมือนกับในทางธุรกิจนะนะก็คือลูกค้าเป็นคนที่ทำให้เราทุกอย่างใช่ไหมเงินก็จะต้องมาจากลูกค้าคเพราะฉะนั้นถ้าเราบริการเขาดีทําให้เขาดีเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนทำให้ธุรกิจเราดีขึ้น นี่คือมองในแง่หลักความเป็นเหตุเป็นผลของธุรกิจในปัจจุบันโดยในหลักพุทธพจนาในพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยไปเปาวรณากับภิกสุในยะนี้ถ้าเราเปาวรณาเท่านี้แต่เราไม่ให้เลยก็คือการค้าขายขาดทุนหมดสิ้นเลย ท, ทีนี้อันนี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นพุทธวจนะโดยตรงเลย<ช>เป็นการที่พระสารีบุตรไปทูลถามว่าเหตุใดทาให้นคนค้าขาย เจรมีกําไรมากมีกําไรน้อยไม่มีกําไรแล้วก็<ำ>ขาดทุนสู์สิ้นไปค่ะก็เลยถ้าหากจะพูดถึงตรงตัวไม่ต้องมาตีความอย่างที่ถ้าอาจารย์ได้ตีความไปเมื่อสักครู่นี้จ ะ, จะทําให้เราเชื่ออย่างนี้ไหมคะว่าดังนั้นเวลาทําบุญเนี่ยตั้งใจยังไงตั้งใจกับบารนาร์เหมือนกันไหมค ะ, ะการบารณาเนี่ยองค์ประกอบของการบารณานี่คือได้กล่าวออกไปกับพระผู้นั้นถ้าอยู่ในใจไม่เป็นไรอยู่ ใ, ในใจไม่เป็นไรอื ม, อมก็คือต้องทําตามนั้น ก็คือคอมมิชเมนต์แล้วไงค่ะคือถ้าคิดในแง่ตรงตัวนะก<ช>็หมายความว่าเป็นคนมีเครดิตใ่พูดอ ย, อย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างนั้น อ, ม, อ ม, มีอีกประเด็นหนึ่งที่อะไรมาต้อการจะเพิ่มเติมให้ก็คือว่าอถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสกับพระเจ้าเปเสนิโกศลมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในเมืองสาบถีเนี่ยที่เป็นคนมีเงินมากแต่ว่าไม่มีความสุขค่ะแล้วอธิบายไว้อย่างชัดเจนมากเลยทําไมเรามีเงินมากแล้วไม่มีความสุข ใครที่ฟังรายการนี้อยู่รวยนะตัวเองมีเงินในเป๋าเยอะแต่ไม่มีความสุขเนี่ยเป็น<ม>เน<ม>พราะเหตุนี้หรือเปล่าลองฟังดูพระเจ้าเปรตทนิโกศลเนี่ยไปที่วัดเชตวันใช่ไหมตอนกลางวันซึ่งเป็นวิสัยที่ไม่ปกติของการที่จะไปฟังปั๊มปังของวันพระเจ้าก็ถามว่าออเรมาทำลายล่ะพระเจ้าเปรตทนิโกศลก็บอกว่าเนี่ยมาเก็บทรัพย์เข้าคลังหลวงเป็นทรัพย์ของเศรษฐีที่ตายลงไปไม่มีพินัยกรรมไม่มีลูกมารับทรัพย์ก็เลยต้องมาเก็บเนี่ยเศรษฐีคนนี้นะ ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยกินข้าวเนี่ยก็กินข้าวคลุกกับก้อนกรวดที่คลุกเกลื อ, อเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็เอาผ้ามาต่อๆกัน 3- 4ชิ้นเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยก็รถเทียมด้วยไม้ไผ่ปูปูพังๆแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยไม่มีความสุขพระเจ้าตรัสสรุปให้ฟังว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเขาไปทําบุญ เ, เขาได้เคยไปถวายทานกับพระประเสนพระพุเจ้าองค์หนึ่ง <ค>แล้วเศษของกรรมนั้นเนี่ยพอเขาถวายทานแล้วเนี่ยเขารู้สึกเสียดายในทานที่เขาถวายไปพระพุทธเจาอธิบายว่าการที่เขาถวายทานเนี่ยอานิสงส์ของอันนั้นเนี่ยทําให้เขาเป็นเศรษฐีมาเศรษฐี <คะ S 2> แต่เพราะว่าเสียดายทานที่ถวายไปทําให้เขาไม่มีความสุขจากทรัพยที่เกิดขึ้นก็มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าไม่พูดถึงว่าเป็นเรื่องของอานิสงส์อื อันนี้คือเป็นเรื่องของนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นกรรมไงกรรมคือกา ร, รกระทำกระทาบ่อยๆ เ, เ, เป็นอุปนิสัยเป็นแพทเทิร์นในชีวิตค่ะอันนี้ถ้าท่านฟังยังฟังไม่ถนัดนะคะคือเป็นคําถามที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศล<น>ได้สนทนากับพระพุทธองค<ช>์ใถึงเศรษฐีที่มีเงินมากไม่มีความสุขโดยไปที่วัดตรังวันเพื่อจะไปเก็บทรัพย์ไปริบทรัพย์เข้าคลังหลวงเป็นทรัพย์ของเศรษฐี่ เศรษฐีผู้ น, สสผน่าสงสารเศรษฐีผู้น่าสงสารคนนี้ไม่มีลูกมาเอานี่อันนี้แล้วแต่จะไปจินตนาการต่อแต่อย่าไปจินตนาการให้ยุ่งเลยทําไมลูกถึงไม่ยอมมาเอาทรัพย์ของเศรษฐีไม่มีบุตรอ๋อไม่มีลูกะไม่มีบุตรไม่มีพินัยกรรมนึกว่ า, วามีลูกนี่ก็มีวิธีการเฮี้ยมซะจนลูกไม่อยากได้แม้กระทั่งทรัพย์ของพ่อไม่มีทายาทสืบสกุลกินก็กินกับเกลือน่าสงสารจริงๆเลยนะคะเสื้อก็ใส่ปุบปะมีเงินแล้วไม่ใช้เนี่ย พระองค์บอกว่าถวายทานแล้วเสียดายใช่ก็คือเราถวายทานเนี่ยถ้าคือพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งก่อนระหว่างและหลังเนี่ยถ้าเรามีศีลศรัทธาในการถวายระหว่างที่ถวายก็น้อมไปเพื่อการถวายถวายไปแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดา ย, ยสามองค์ประกอบเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยของผู้ให้ที่จะทําให้ที่จะทําให้อา น, นิสงส์งในการถวายทานนั้นได้มากจริงๆค่ะคืออา น, นิสงส์งการถวายทานเนี่ยทำให้รวยว่างเงินเถอดใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าการถวายแล้วเสียดายเนี่ย มันก็เลยเป็นส่วนที่มาดึงไม่ให้มีความสุขไม่ให้มีความสุขแล้วถ้าพูดถึงวิเคราะห์อุปนิสัยก็คือว่าในทุกอย่างเนี่ยที่แกกินข้าวกเกลือเนี่ยมีแล้วก็ยังไม่ใช้ให้ตัวเองมีความสุขเลยใช่ั้ยคะขี้เหนียวเกินไปเกินไปนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวครั้งพุทธกาลแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกจากพุทธวจนะของพระพุทธองค์ก็คงจะได้แง่คิด นะคะตามธรรมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไปดำเนินชีวิตทางโลกของเราเนี่ยนะคะให้มีธรรมเข้าไปประกบประกอบแล้วก็มีความสุขวันนี้ก็คงนวัส ก, การขอบพระคุณพระคุณเจ้าไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจริญพร